คำว่าทรมีอยู่นั้นมีอยู่หรือมีมาดั่งเดิมมีอยู่ตลอดเวลาอากาศอิโกท่านว่าทำมีอยู่เหมือนสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ดินน้ำลมไฟอากาศเป็นต้น ก็มีอยู่ก็มีอยู่อย่างนั้นมีเครื่องสัมผัสรับทราบก็ทราบกันได้โดยลำดับนอกจากไม่มีเครื่องรับทราบเท่านั้นคาว่าทำมีอยู่ก็เหมือนกันไม่ใช่ทำความจำจำมาจากตำรับตำรา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 ทำในความจำจึงเป็นประเภทหนึ่งเป็นทาในความจริงที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินั้นเป็นประเภทหนึ่งเบื้องต้นอาศัยทำความจานี้ก่อนพอเป็นพื้นเป็นฐานเป็นแนวทางเช่นอย่างครูอาจารย์หรืออุปชาท่านสอนมอบ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 เป็นความจําต่างหากไปจักใจความจําได้เท่าไรมากน้อยเพียงไรไม่สามารถที่จะถอดถอนกิเลสออกได้เลยเป็นแต่เพียงความจําอยู่เท่านั้นภาคปฏิบัติต่างหากซึ่งสืบเนื่องไปจากความจําที่เรียวกว่าปริยัติซึ่งศึกษาจดจํามาแล้วแล้วนําความจดจํานั้นไปปฏิบัติ ทำเนินตามเข็มทิศทางเดินของตําราของธรรมคือความจำนั้นเนี้ยปรากฏผลขึ้นมาภายในใจของตัวเองเช่นท่านสอนว่าเตศาลุมมาณธาตันตาแตโจในธรรมบทใดก็าตามที่ถูกจริตของเราเรานำมาเป็นคำบริกรรมพิจารณาคข้ขวรในอาการเหล่านี้จนปรากฏขึ้นมาเห็น ไปตามความจริงที่ท่านสอนนั้นจนกลายเป็นจิตสงบขึ้นมาในขณะที่ภาวนาีท่านเรียกว่าทมปรากฏเช่นสมาธิธรรมเริ่มจิตเริ่มปรากฏเป็นความสงบเย็นใจมากน้อยเรียกว่าธรรมได้เริ่มสันติธรรมได้เริ่มสงบมากน้อยเป็นลำดับล ำ, ำดา จนถึงความละเอียดของจิตที่เกิดขึ้นจากจิตตภาวนาของเราอันก็เรียกว่าทมเกิดทมปรากฏรมสัมผัสใจเมื่อทมในเบื้องต้นในสัมผัสแล้วก็เป็นพื้นเป็นฐานหรือเป็นต้นทุน ที่จะขวนขวายเพื่ออัดเพื่อทําขั้นละเอียดไปยิ่งกว่านั้นคือขั้นปัญญาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดความคิดความอ่านไตรตรองในเบื้องต้นก็ต้องพาคิดพาอ่านไตรตรองเสียก่อนแม้ได้มีสมาธิคือความสงบเย็นใจแล้วยังต้องได้ใช้ความบังคับบัญชาให้พิจรารณา คลี่คลายสิ่งตั้งหลายเช่นเจสาลุ ม, มานักหาทันตาแตจเป็นต้นที่เคยบริกรรมหรือที่เคยพิณิพิรา ม, มานั้นเป็นอย่างไรที่อุปชัยยะท่านมอบให้นั้นความจริงแท้เป็นอย่างไรเพราะสิ่งนี้มีอยู่กับทุกคนมันไม่น่าสงสัยถ้าตามแบบความจริงแล้ว แต่มันก็ติดมันกงเงินข้ามไปเสียติดหมดอาการทั้งห้ารูปหรือเกสรลงมานะขาตันตาจูกมันเป็นกองรูปมันติดไปหมดนี่เป็นหลักธรรมชาติของฝ่ายต่ำซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจ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 เป็นพระจะบริกรรมคำนั้นก็บริกรรมหรือจะคลี่คลายดูสิ่งที่บริกรรมนั้นเป็นเจสรารวมมาเป็นต้นดูดูตามลักษณะตามที่อยู่ที่เกิดของหมันที่อยู่ของมันเป็นยังไงมันน่ารักน่าชอบใจน่าติดไหมเห้ได้จิดจริงติดเอาหนักเอาหนา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 ปัญญานี้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเมื่อปรากฏทางภาคปฏิบัติแล้วย่อมจะสนับปัดทิ้งกันออกโดยลำดับเช่นคลายความยึดมั่นถือมั่น็นต้นเมื่อรู้ชัดแจ้งแล้วจะ ย, ยึดจะถือไว้ได้อย่างไรความยึดความถือความสำคัญว่าสกุลกายทั้งหมด ทั้งรูปธรรมนามธรรมนี้อยู่ภายในกายนี้ย่อมถือว่าเป็นเราเป็นของเราเสียทั้งสิ่งมันถือได้อย่างไรเราก็ไม่ทราบว่ามันถือได้อย่างไรแต่มันก็ถืออย่างนั้นมาโดยหลักธรรมชาติของมันไม่ต้องมีโรงน้าโรงเรียนสอนกันเพราะทิเลตเป็นตัวครูเอกอยู่แล้วมันสอนอยู่ทุกอาการของกิตที่เคลื่อนไหว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 มาแยกออกจากจิตระหว่างจิตกับสิ่งตามๆที่มันแทรกซึมกันอยูน่นี้เราจะทำยังไงมันถึงจะออกได้ไม่มีวิชาใดมีวิชาเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสัางสอนคือความดีเอาพูดวงกวง้างๆไม่ไดแกการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายนี่เป็น อ, ปอุปกรณ์แต่และอย่างละอย่าง เป็นเครื่องสนับสนุนเัินเข้าไปการให้ทานการรักษาศีลการภาวนานี่เหล่านี้เนี่ยที่จะทําให้รู้ให้เห็นให้แยกแยะได้สุดท้ายก็ไหลรวมลงไปสู่จิตตะภาวนาจิตตภาวนาก็ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาเพราะคําภาวนาของตนหรือเพราะการภาวนาของตน จะภาวนาด้วยทำบทใดก็ตามนีสติจดจ่อต่อเนื่องกับงานของตนอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นท่านจิตย่อมสงบได้ไม่นอกเหนือไปจากสติเครื่องบังคับนี้ได้เลย น, นี่ก็เป็นวิชาอันเนี่ยที่จะให้เริ่มให้รู้สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาที่ว่าหลงหลงยึ ด, ยด มันหลงพเพราะเยตุอะไรอะไรนี่ละ่ะก้าวแรกที่จะเริ่มเข้าไปรู้ความหลงความยึดความสําคัญของตนและในขณะเดียวกันถ้าหลงเราจะได้ทราบกลมายาของกิเลสประเภทต่างๆที่มันแทรกมันสิงอยู่ในความคิดความปรุงเพราะมันอยู่กับดวงใจยอยู่แล้วอาการของจิตที่แสดงออกมาในอาการใดจึงเป็นเรื่องความควบคุมนึกความผลักดันของมันที่พาให้แสดงออกมาทั้งนั้น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 ความทุกข์กี่ตรงนั้นกี่ภพกี่ชาติเพราะอำนาจแห่งที่เล็ดพาให้เกิดก็คือความแบกทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาตินั่นแหละเมื่อยังไม่ทราบเป็นเช่นนี้จึง ต, ต้องอาศัยวิธีการดังที่แสดงมาคือจิตตะปาวันนานี่เป็นภาคค้นควา้าเป็นภาควินิจฉัยใกล้ครวน ให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นตามหลักความจริงที่มันเป็นไปอย่างไรฝ่ายตำ่ำพาให้เป็นไปอย่างไรธรรมคือฝ่ายสูงเปพิจารณาตามนั้นจิต ท, ที่ไม่เคยสงบก็สงบภ า, ายในใจจิตสงบย่อมไม่ถามใครหากรู้เองมันผิดแบกสิ่งทั้งหลายเราไม่เคยรู้ก็าตามเพราะจิตได้ยามเข้าสู่ความสงบแล้วย่อมทราบในตนเอง เมื่อสงบท่านก็สอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลายดูทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอวัยวะอาการของอวัยวะทุกส่วนก็ได้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามขอให้ถนัดภายในใจเถอะหากจะลูกลามไปหมดเพราะเป็นสัจธรรมคือความจริงอันเดียวกันเหมือนกันการพิจารณาคลี่คลายโดยลําดับลำหนานี่แหละคือทางเดินของปัญญาทางเดินของธรรมที่จะเกิด ขึ้นโดยลาดับเกิดขึ้นในแบบนี้แต่เราต้องระวังชนมากไม่ทราบไฟต่า ม, มันแทรกในวงความเพียรของเรานั้นเราไม่ทราบได้ทั้งทั้งที่ทําความเพียรอยู่นั่นแหละมันคอยฉุดคอยลากคอยกระซิบกระซาบไปตามแถวแนวทางของมันจนได้เดี๋ยวก็ล้มเหลวเดี๋ยวก็ล้มเหลว ถ้าเราทราบว่าความกะระสิบระซาบความถลักความดันของมันที่มันแสดงอยู่ทุกระยะนั้นว่าเป็นไผ่ว่าเป็นโทษแล้วใครจะไปนอนใจกับมันนักหนาเรานี่เกิดมาวันใดตื่นขึ้นมาวันใดเป็นมืดเป็นแจ้งมากี่ปีสี่เดือนจนกระทั่งถึงบัดนี้และเลยมาบวชในาศาสนาว่ามาศึกษาเล่าเรียน พะพฤ่ปฏิบัติก็ยังไม่พ้นไปไงมันกล่อบหัวใจเหาเสนได้นี่สิต่ว่ามันันมั น, มนยอยากก็ยังไงมันละเอียดขนาดนั้นละ่ะไฟต่ำที่เป็นค่าสิทธิของธรรมยิงต้องในใช้อุบายพินิจพิจารณากันอย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มความสามารถสติมีเท่าไรตั้งลงไปปัญญามีมากมีน้อยยังไงฝึกขัดค้นคิดพินิจพิจรารณา ลงไปให้เห็นตามความจริงนีแล้วธรรมก็เกิดอันนั้นทันว่าธรรมเกิดพอเข้าใจในสิ่งใดตามหลักความจริงแล้วเช่นเข้าใจในสกลกายจะเป็นฝ่ายอตุภะคือความปฏิปูนโสโครกก็ดีจะเป็นฝ่ายอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนใดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีนี่ก็เรียกว่าธรรมเกิดธรรมเกิดขึ้นมาโดยลำดับรำดาเข้าใจเข้าใจนี่ ทางที่จะให้รู้เรื่องของสิ่งพัวพันนาจิตใจจนกระทั่งถึงถอดถอนออกได้คือกิตอตภาวนาเป็นยอดแห่งการบำเพ็ญทั้งหลายในบรรดาความดีาการอบรมสั่งสอน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 รักมาประกาศสอนลกูกธรรมเหล่านั้นไม่เป็นธรรมที่น่าสงสัยไม่เป็นธรรมที่ผิดพลาดอะไรเลยเป็นธรรมที่ถูกต้องถ่องแท้ไม่มีอะไรเสมอผู้สอนก็สอนเป็นสวขาตธรรมจาดไม่ชอบทุกอย่างมันสำคัญที่ผู้ปฏิบัติตามเยี่มันไม่มันไม่ปฏิบัติตามสวดาธรรม มันคลิกตรปัดกลับกันไปตรงกันข้ามไปเสียผลจริงไม่ค่อยเกิดหรือไม่เกิดเมือกสักครู่นี้ได้พูดถึงว่าธรรมมีอยู่ตลอดอนันตการผู้สัมผัสธรรมคืออะไรได้ อ, อธิบายแล้ว คือใจเราพูดสรุปลงมาก็คือสมะสมะ ธ, ธรรมนิปัสนาธรรมจากนั้นก็ถึงนิมุติลุดพ้นนิมุติธรรมไปโดยลำดับธรรมที่กล่าวเหล่านี้ไม่นอกเหนือไปจากใจผู้ที่จะรับสัมผัสหรือผู้จะรับ ร, บรู้ด้วยภาคปฏิบัติของตน เราอยาได้คาดได้หมายว่าสถานที่นั่นทำจะเกิดสถานที่นี่ทำจะเกิดเวลาโน้นทำจะเกิดเวลานี้ทำจะเกิดเราอยากคาดจะหมายไปมันไม่ทันกับปมายาของกิเวศที่หลอกลวงเราเพราะอาการเหล่านั้นมันเป็นความแทรกสินของนิเยศทั้งนั้นเนี่ยนิเวศมันอยู่ที่ไหนนี่ให้ปักลงไปนิเวศอยู่ที่จิตน่นะบงการอยู่ที่จิต กิเลสสอนเราให้โง่ตัวกิเลสนั้นฉนาดที่สุดภายในจิตครอบหมวใจเราอยู่ตลอดเวลานี่ความจริงเป็นอย่างนี้เพรา ะ, ะนั้นจึงต้องใช้สติปัญญาทัทธาความเพียรอย่างลงสู่จิตซึ่งเป็นที่สถิตหรือที่ฝังจมอยู่แห่งกิเลสทั้งหลายเป็นที่เข้าใจว่าทาอยู่ที่ตรงนี้กิเลสปิดทาให้ปรากฏทำเปิดกิเลสออก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 การปฏิบัติธรรมยาลดหย่อนอ่อนข้ อ, อยาถือวันถือเวลาถือสถานที่มาเป็นเครื่องอ้างอินพึ่งพิงซึ่งเป็นเครื่องออกดวงตนเปล่าให้ถือความเคลื่อนไหวของจิตสติติดแนบอยู่กับใจปัญญาควรจะใช้ในการใดเวลาใดให้ใช้ ไม่ต้องอ้างไม่การสถานที่เว ล, เวลาใดๆสงกับกิเลสมันสังจมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันการแก้การถอดถอนสิ่งที่เป็นธาตุศึกต่อใจย่อมจะแก้ลงได้ในจุดเดียวกันไม่เป็นที่สงสัยให้ได้ทราบบา้าง ส, าสวิว่าทําเกิดท่าเกิดตามที่สอนท่านสอนไว้นั้นว่าทําเกิดทําปรากฏ ปรากฏที่ไหนในพูดแล้วว่าความจำไม่ใช่ทําเกิดความจาคือความจำเกิดเฉยๆจำได้เฉยๆทรรเกิดเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติที่เนื่องมาจากความจำได้นั้นปริยัติคือจำได้การศึกษารองเรียนปฏิบัติคือการดำเนินเป็นภาคปฏิบัติผลปรากฏขึ้นมามากน้อยนั่นแหละที่นี่เป็นผลเป็นผลไปโดยลำดับลาดา จนถึงความหลุดพ้นหั่นเรียว่าอิมุตติธรรมได้ปรากุดแล้วภายในใจการปฏิบัติการภอหนาทำอย่างไรกันมันถึงเหมือนคนตายแล้ว ไม่มีมวี่แววอะไรเลยนี่ก็แปลกใจเหมือนกันอยู่กับหมู่เพื่อนมาก็นานการปฏิบัติจิตภาวนาต่างคนก็ตั้งใจไปปฏิบัติแล้วผลมันเป็นยังไงมันมีแต่ล้มเหลวล้มเหลวแล้วมันก็ไม่ตรงกับความมุ่งหมายของผู้สอนผู้อบรมเพราะการสอนตรวนี้ เราสอนด้วยความทุ่มเทจริงๆไม่ได้สอนด้วยความรักความสงวนธรรมแงใดไว้เลยสอนหมู่สอนเพื่อนสอนเต็มสติกําลังความสามารถไม่ว่าทางเหตุคือการดําเนินได้ดําเนินมาอย่างไรก็พูดให้ฟังเพื่อเป็นคติเครื่องเกือนใจในยึดไว้เป็นหลักตามจริตนิสัยของตนจะยึดได้ในแง่ใดแง่ใดของท่านแสดงไป ตลอดถึงผลเป็นที่ปรากฏปรากฏมากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยปิดบงังลี้ลับพูดอย่างเต็มปากพูดอย่างอาจฐานไม่จะทอกสถานต่อคําจริงทั้งหลายเพราะการปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นมีภาคภาคเหตุผลที่ปรากฏจากการปฏิบัติปรากฏอย่างไรมันปรากฏมาอย่างนั้นก็พูดตามเรื่องนั้นให้ฟัง เป็นแนวทางผู้ของผู้ศึกษาอบรมทั้งหลายจะได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณผลจะปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดาจากความเพียรห น, นีไปไม่พลนนอกจากเราจะเหลวไหลจะอย่างเดียวเท่านั้นเราอยากเห็นหมู่เพื่อนมีความเข้มแข็งในความภาคความเพียร เป็นเครื่องชำระกิเลสเราไม่อยากเห็นความคึกความควนองที่แสดงออกทางกิยามารยาทเพราะอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสโดยชงเป็นเรื่องของวัตตวนไม่ใช่เป็นของอัศจรรย์อะไรเลยใครๆก็มีสิ่งเหล่านี้แต่เรื่องของธรรมคือความสงบเย็นใจเป็นอย่างน้อยถึงความเฉลียวฉลาดตาดเปืองภณยจิตใจนั้นเป็นของต้องขันมากและเป็นความมุ่งหมายของเราผู้เป็นนักบวช ตลอดถึงครูอาจารย์ที่สอนสอนเพื่ออย่างนั้นจริงๆสอนเพื่อให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจให้ทำํำทั้งหลายแต่เป็นยังไงถึงไม่ปรากฏนี่น่าแปลกเลยนะการฝึกการปฏิบัติมาก่อนต่างองค์ก็ น, นานทำไมมันถึงไม่ปรากฏคําว่าทําเกิดนั้นก่อได้ยินแต่ชื่อเฉยเฉว่าทําเกิดเที่ยงจําได้เท่านั้น ทำปรากฏควรจยิ้แต่ครูแต่อาจารย์ท่านสอนสมาธิเกิดปัญญาเกิดก็ได้ยินน้นแต่ในตำรับตำลาเห็นต่นาตนาลับตำลาครู่าอาจารย์สอนแต่ตัวของเราเองไม่ปรากฏว่าเป็นสมาธิคือความสองบออใจเป็นปัญญาคือความแยบขายขับไล่ขี้เกล็ดออกจากจิตโดยลาดับลาดาจนมะตัองถึงขั้นบริสุทธิ์ลิมุิ พระนิพพานประจักษ์ใจไม่ปรากฏมันเป็นอะไรธรรมนี้เป็นธรรม ส, สดสดร้อนๆแท้ๆเช่นเดียวกับกิเลสมัน ส, สดสดร้อนๆอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจทําให้ไหเราลงได้ตลอดไปเลยไม่ได้ว่ากิเลสอันนี้เป็นของเก่าอันนั้นเป็นของใหม่อันนั้นเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วเท่านั้นข้างเท่านี้โหงกี่ปีกี่เดือนตั้งแต่วันเกิดมาก็สัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้ว จ, จ, จําจําเกศแต่ก็ไม่ไม่พ้นที่จะลืมตัว หรือดูดดื่มกับมันตลอดมานี่มันกล่อมไปอย่างนั้นส่วนทำไปยังไงไม่ได้กล่อมใจบ้างเลยมี่คือที่เด็กกล่อมใจแล้วไม่มีความเบื่อนหน่ายติดจมไปอยู่ตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอนั่นแ่ละเครื่องของที่เด็ที่มันฝังจมภายในจิตใจของสัตว์โลกทำให้จมตลอดเวลาถ้าเป็นเมาก็เลยว่าเมาไม่มีวันสางเลย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 สิ้นทําจากครูจากอาจารย์และประกอบความภาคเพียงให้ทำใด้ปรากฏธรรมเหล่านี้จะลี้รับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเช่นเดียวกันตัวที่มันเปิดเผยออกอยู่ตลอดเวลาทำกระดิกไม่ได้นั้นมันก็มีอยู่ภายในใจแสดแงตลอดเวลาเหมือนกับว่าท่าทายธรรมว่าใครมีธรรมอย่างไรเอามาตอกก่อนกันกันกบข้าเหมือนอย่างนั้นข้าก็คือใหญ่ก็คือ กิเลสปัญหาอาชาวประเภทต่างๆที่มันสังจมครอบหัวใจเราใจท่านอย่างนี้แหละมันแสดงอย่างอาถานไม่สะทุกสะทานเพราะกำลังของมันมีมากแล้วเมื่อไรเราถึงจะได้แสดงคำความอาถานไม่สะทุกสะทานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาของเราจนกระทั่งถึงด้วยวิมุตหลุดพลไม่มีความสะทุกสะทานหวนไหวกับ สิ่งทั้งหลายที่เป็นเคยเป็นค่าศึกนามิเลยได้ฟาดฟันหันแหละ ก, กันลงแตก่กระจายพานาจิตใจได้เห็นประจักษ์นั้นเป็นธรรมที่สดร้อนๆไม่มีคําว่าล่าสมัยไม่มีคําว่าครึไม่มีคําคคว่าเดือนนั้นปีนั้นปีนี้สถานที่นูนที่นี่เห็นแต่ความประเสริฐเต็มหัวใจเมื่อกี่เดียดได้หลุดลอยไปหมดแล้วไม่ต้องบอกว่าใจตรงนี้ประเสริฐขนาดไหน ที่ไม่ประเสริฐที่เป็นของกัจจันท์ก็คือเรื่องของกิเลสเข้าไปครอบเท่านั้นเองกิเลดมันประเสริฐที่ตรงไหนมันหลอกให้เราหลงต่างหากมันไม่ใช่เป็นผู้ประเสริฐไม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติที่ประเสริฐทำต่างหากเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐแต่เมื่อมันฝังจมในหัวใจของสัตไดเครื่อหลับไปตามทั้งนั้นือ응เราอย่าอวดดีนะว่ากิเลสไม่ใช่ว่าว่ากิเลสเป็นของไม่แก้ยากเป็นของง่ายๆปอกกลว้วยก็ยังง่า ย, ง, ายง่ายกว่าน เราอย่าไปคิดนะอะไรก็ตามสิ่งที่เราคิดเราอ่านนี้เป็นสิ่งที่ตื้นๆทั้งนั้นยังหลงกันอย่างจมไปเลยจมไปเลยมันฉลาดแหลมคมขนาดนั้นสนความสัตยเมื่อทำยังไม่เกิดเมื่อทำยังไม่ปรากฏจะมีแต่สิ่งเหล่านี้แหละ <c oughs> เลิศเลออยู่ภายในใจตามความรู้สึกของจัตุโลกทั่ ว, ว, วไปเป็นเช่นนั้นต่อเมื่อทำได้ปรากฏขึ้นติดใจเพราะภาคปฏิบัติ นั่นแหละที่นี่เราจะได้เห็นเป็นคู่แข่งกันท่ามปรากฏขึ้นมาเช่นนี้กิเลสปรากฏกับเราเป็นยังไงนั่นรสชาติของกิเลสอาศวะกับรสชาติแหง่งธรรมแตกต่างกันอย่างไรเริ่มไปตั้งแต่สมาธิยับยั้งตัวได้เหมือนมันมีเกาะมีดอนมีที่พักผ่อนอาศัยให้รับความร่มเย็นเป็นถุกเป็นการเป็นเวลาเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเป็นเช่นนั้นไม่ได้แผดเผาตัวเองอยู่ตลอดถูกไฟคือกิเลสมันเผาตลอดเวลา ตลอดไปยังมีเวลาพักได้นี่เมื่อธรรมได้ปรากฏขึ้นรสของธรรมที่ปรากฏขึ้นแม้แต่ความสงบนี้เราจะได้เห็นโทษแห่งความฟุง้งซ่านความวุ่นวายของเราอย่างถนัดใจเกี่ยวเมื่อเรายังไม่เห็นความสงบใจเป็นซึ่งเป็นค่าศึกของกันหรือเป็นคู่เรียบเทียบกัน เราก็ไม่เห็นความโทษของความฟุง้งซ่านความวุ่นวายความสายแสของปิดเพราะไม่เคยสงบผลแห่งความสงบไม่เคยปรากฏเพราะไม่ทราบจะเอาอะไราไปแข่งกันเอาอะไราไปเทียบกันเมื่อความสงบได้ปรากฏขึ้นย่อมจะเทียบได้ในขณะนั้นทันทีเลยโอความสงบเป็นอย่างนี้เลยไม่เคยได้ปรัหรือปฏิบัติไม่เคยได้ปรากฏเลยได้ปรากฏแล้วทีน่นี่เป็นอย่างนี้แล้วหรอ จิตจะมีความกระหิมยิ้มย่องดูดดื่มตลอดวันเลยจิต ม, ม, มันมีความดูดดื่มในผลของตนคือผลอย่างธรรมในปากุ่ขึ้นแล้วนี่แหละทำเพศให้มีแก่ใจทีนีความภาคความเพียรก็รวมตัวมาความอุตสาหพยายามหนักเอาเบาสู้ทั้งนั้นมาพร้อมๆกัน นี่แหละรถแ่งธรรมได้เกิดแล้วเป็นคู่แข่งของกิเลสได้เป็นอย่างดีเพียงสมาธิธรรมก็ เ, เอาเถอะเรายังไม่ได้พูดถึงธรรมมันละเอียดมากยิ่งกว่านั้นเลยเพียงสมาธิธรรมนั้นก็ปราบความฟุ้งซ่านได้เรียบเห็นโทษในความฟุ้งซ่านด้วยความสงบของของใจของธรรมนี่ประจักใจตัวเองนี่แหละที่เนียน่ยรถแถงทงธรรมช น, นะเป็งรถตั้งปวงีเมื่อว่ า, มา ก, กิเลสประเภทใดจะเริ่มชนะกันไปเรื่อยๆนี่ท่านว่าธรรมเกิดนี่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 นือภานามยปัญญาปัญญาเกิดในเวลาภาวนาเลยทุกอิริยาบถกลายเป็นภาวนามยปัญญาไปทั้งนั้นนี่ทําเกิดที่นี่แต่ก่อนกิเลสมันเกิดเกิดในใจดวงนี้เกิดทุกเวลนน้เวลาเนี่ยจะได้เห็นไม่ได้เห็นก็าตามได้ยินไม่ได้ยินก็าตามอดีตที่ผ่านมาแล้วกี่ปีกี่เดือนได้ ล, ลึกได้เมื่อไรเป็นไมเอี่ยมไม่เอี่ยมติด ติดอย่างเอี่ยมเหมือนกันนั่นกิเลสรสของกิเลสทีนี้พอธรรมา ม, มีกําลังแล้วจิต ด, ดวงนี่แหละซึ่งเป็นสถานที่ผิดงานของกิเลสวัตจักวัตจิตมาทั้งเดิมก็ได้กระจายออกตัวออกไปพลังของธรรมได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นทีธรรมได้เกิดขึ้นที่ใจกิเลสเมื่อธรรมเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไร กิเลสก้อยเหืออแห้งไปเหงื่อแห้งไปสุดท้ายก็มีตั้งแต่ทำทำงานของตัวเองผิดตัวเองขึ้นมาโดยลําดับลำดั บ, เ, ดบเป็นธรรมจักรแล้วก่อนเป็นกิเลสสวัสิทีนี้กลายเป็นธรรมวัฒน์เป็นธรรมจักรหมุนกิเลสแหลกไปแหลกไปโดยลํำดับลำดั บ, อ, ดบอยู่ที่ไหนก็เกิดถึงว่าระที่ทําเกิดแล้วปิดไม่อยู่เป็นหลักธรรมชาติเป็นอนัตโนมัตินหมุนไปอย่างนั้นตลอด จนกว่าวิากิเลสจะบรรลัยเสียสิ้นเมื่อไหร่ธรรมจักอันคือปัญญาที่หมุนตัวเป็นธรรมจักนี้จึงจะหยุดถ้าหากกิเลสยังยังไม่สิ้นซากไปหมดแล้วปัญญานี้จะหมุนตัวตลอดทีเดียวหมุนทั้งคิดทั้งค้นหาท้าผลหาตัวกิเลสเจอกันเข้ากับฟันกันเลยนะตลอดเวลานี่แหละว่าทําเกิดที่นี่เกิดในหัวใจนี่แหละไม่ได้เกิดที่ไหนนะ เกิดที่ใจของเราตัวรู้ๆนี่แต่ก่อนรู้มันรู้ไปเป็นโลกเป็นสงสารรูปเป็นโทษเป็นกรรมไปหมดพอทําได้เกิดแล้วรู้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัดเป็นธรรมรู้แกล้งแทงทะลุไปเรื่อยๆจนกระทั่งแทงทะลุอุโปโภงไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นแหละปัญญาประเภทนี้ถึงจะพักตัวหรือหยุดหยุดตามหลักธรรมชาติของตัวเองเพราะหมดแล้วในสัจ บรรดาค่าสืบชนาจิตเคยต่อสู้กันมาไม่มีอะไรเป็นค่าสืบแล้วใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันกลมคืนเป็นอันเดียวกันกิเลสไปไหนหายหมดที่นี่เห็นได้ชัดรู้ได้ชออัดกิเลสตกรจิตไม่เคยหมุนวิ่งไปสู่รูปสู่เสียงสู่กลิ่นสู่รสเป็นอุปทานมาเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีคําว่าบกบางถึงขนั้นมันยังขวัขวายหามาพอกพูนเลจนล้นหัวใจทุกข์ก็ล้นหัวใจมันยังไม่ทราบ ต่อเมื่อสติปัญญาได้ที่เรียกว่าธรรมเกิดธรรมเกิดสมาธิก็เกิดปัญญาทุกขั้นก็เกิดเกิดเต็มที่แล้วพัทงทลา ย, ยกิเลสสวัสดิ์ออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนั่นเห็นประจับไม่มีแล้วคำว่าข้าสึกเอามาจากไหนข้าสึก็เอามาจากากิอเลสต้นเองกิเลสอยู่ที่กิจข้าสึกก็ต้องเกิดึที่กิจที่กิจเมื่อกิเลสได้บันลายไปหมดจากกิจแล้วข้าสึกจะมาจากไหนในหัวใจทั้งดวงมีแต่ธรรมธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน ที่เรจะเกิดขึ้นได้อย่างไงมันก็รู้ชาติไม่ต้องถามถามอะไรถามพระพุทธเจ้าเมื่อได้ถึงขั้นที่รู้แล้วมันก็เหมือนเราเรารับทานอาหารนี่นี่ฉันอาหารนี่มันเผ็ดมันเค็มใครก็รู้ด้วยลิ้นโดยปากของตัวเองทุกคนจําเป็นอะไจะต้องไปถามกันว่านี่รสเป็นยังไงนั้นรสนิอิ่มก็รู้ตัวด้วยตัวเองจําเป็นยังต้องไปถามใครบ้างเพราะคําจริงมันมีอยู่กับทุกคนสิ่งที่จะรับความจริงมันมีอยู่กับทุกคน ความจริงต่อความจริงเจินเข้ามันก็เป็นความจริงมันล้ ว, วนไม่ได้าถามใครอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อจะติปัญญามันฟาดปันธันแหละกิเลสปัญหาสาระทุกประเภทขาดสะบั้นไปจากจิตใ จ, จแล้วก็เหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุโทโธ อ, อ๋อนี่พุโทโธเป็นอย่างนี้ละเหลือนักพระพุทธเจ้าที่เคยกราบไว้ว่าท่านคาดคะเนท่านอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ไหนคืออันนี้ละเหลือนั่นเพราะทำแล้วเราที่ว่าทําเกิดหรือทํา มีอยู่ตลอบเวลามีที่ไหนมีที่นี่แล้วเหนอนั่นไม่มีที่ไหนที่จะรับรองยืนยันกันนอกจากที่จิตนี้เท่านั้นเมื่อถึงขั้นนี้มีประสงค์สาวกคืออะไรก็คือธรรมบริสุทธิ์นี้แน่ยืนยันกันตลอดในหัวใจของผู้นั้นแหละไม่ได้ถามอาวุทธเจ้าเป็นยังไงตนนันหิพานไปนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่นั่นเป็นการเป็นระดับตามสมมุติโยมเท่านั้น พอกิดบริสุทธิ์แล้วมันก็หมดเองอเรื่องอดีตอนาคตแม้แต่ปัจจุบันยังรู้เท่าไม่ติดไม่พันกับสิ่งใดเลยนั่นะเป็นใจอิสระใจประเสริฐไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าใจแก้ ใ, ให้ได้นะกิเลสไม่เป็นของประเสริฐอะไรแหละถ้าเป็นของประเสริฐใครก็เลิศประเสริฐหมดในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่มีกิเลสทั้งนั้นกิเลสแทรกอยู่ทุกหัวใจ เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดไม่มีต้นสาไม่มีต้นไม่มีตายท่านว่ า, อ า, าอารามตะโคท่านว่าคือทางไม่มีเบื้องต้นเบื้องตายหาไม่เจอวั ต, ตวนของแต่ของกิจแต่ละดวงละดวง ม, มันเหมือนเหมือนโมดตายขอบโดง่งท่านว่าเป็นอย่างนั้นแหละตายมาแล้วก็มาเจอของเก่านั่นแหละมันก็ว่าเป็นของใหม่ตายไปตายไปตายมายวนอยู่ขอบโดง่งกันเก่านั่นเนี่ยอันนี้ก็ ขอบดองคือวัตจักรนี่คืออะไรการมาโลกรูปรโลกอรูปรโลกนี่ขอบดองของวัตจักรหิดมันหมุนไปหมุนมาอยู่เนี่ยมันไปไหนกีดตรงนี้มันหมุนไปตามนี่เท่านั้นน่ะใช่คิดหายไม่คิบหายเดิงชิบผายกิเลสจะทรมานมันให้ทุกขนาดไหนยอมรับมาทุกอืทุกขนาดไหนยอมรับมาทุกแต่ไม่ชิดหายก็คือใจนี่เองทีนี้เวลาชำระอันนี้ออกหมดความหมุนของใจ มันแต่ก่อนเป็นยังไงก็เราก็ทราบมาแล้วความไม่หมุนของใจน้ำบัตรนี้เป็นอย่างไงเพราะเหตุไรมันก็ทราบแต่ชัดเจนนี่ผู้ปฏิบัติต้องทราบท่านว่าสันทิทิโกสันทิโกเทไม่ได้ผูกขาดทราบเต็มหัวใจด้วยกันทุกคนเพราะเราจึงอย่าไปคาดว่ามคุยวิญญาณผพานานานแล้วฉะนั้นปีเท่านี้เดือนอืมทําตั้งแต่นูน้นกับทําสมัยนี้กิเลสสมัยนู่นกับกิเลสสมัยนี้มันก็ทิ่มแทงหัวใจผูก มัดหัวใจคนสัตว์ได้เหมือนกันหมดทํำไมการแก้กิเลส จ, จะไปหาไว้ทําเวลาตรสถานที่การนู่นการนี้ให้กิเลสมันหลอกเล่นอยู่ได้เลยนักปฏิบัตินั่นนะมันหลอกแล้วิจารณิพานานานนานไปแล้วธรรมะหมดเขตหมดสมัยแล้วแล้วกิเลสมันไม่หมดสักทีสมัยถ้าไม่เห็นทําพูดกันตรงนี้หรือเอาให้มันหมดตัวหน้าตัวตาประจักษ์ใจของเราที่นักปฏิบัติมันจะรู้ได้เห็น นี่พูดอะไรพูดเต็มหัวใจพูดอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นเพราะไม่ได้โอ้ได้อวดเพราะไม่ได้ไปหักลูกพักคำมาจากที่ไหนพูดให้มันเต็มเม็เต็มหน่วยนี่ถอดเรามาจากหัวใจนี่ทั้งเหตุเราก็เคยเป็นอยู่ในหัวใจนี้แล้วผลมันปรากฏมากน้อยอย่างไรก็ปรากฏ ใ, ในหัวใจนี้แล้วทําไม่จะผิดไปนําของจริงมาพูดแท้ๆถึงพูดได้อย่างอาจหารเราไม่ได้โซกทานในเรื่องการแสดงธรรมต่อหมู่ต่ตเพื่อนเพราะเป็นกันเองหมัง้ง ความถูกความเจริญบางความหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยการการแสดงด้วยอัดด้วยทำด้วยเหตุด้วยผลอย่างเต็ม อ, อกเต็มใจอย่างถึงพลิกถึงขิงเพื่อให้ถึงพลิกถึงขิงสําหรับผู้ฟังทั้งหลายให้ถึงเหตุถึงผลถึงอัดถึงทำทำไมจะผิดปไปนอกจากกิเลสมันจะมากาจิก็ทราบมันหลอกลไปบินไปตามทางมันหลงไปหมดเท่านั้นเองนี่ก็หมดไปหมดไปจะทําไงผมมีตกมากจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะ ครูบาอาจารย์ที่คอยให้อัดให้ทำที่แนวทางที่ถูกต้องมั่นยามไม่มีใครเกินอนะาจารย์ทั้งหลายที่ท่านที่ผ่านไปแล้วหล่านี้นะครับแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรามาอย่างนั้นกับครูบาอาจารย์อง์นั้นองนั้นคือส่วนแล้วส่วนมากไม่จะรู้สีทั้งทางทังนั้นที่ผ่านไปผ่านไปหลวงปู่ฟัน่นนะหลวงปู่พรม ม, มีแต่ยังเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นก็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 นอกจากทาเท่านั้นจะเชื่อแล้วก็หมดไปหมดไปครูบาอาจารย์ที่ว่านี่แล้วยังเหลือที่ไหนที่นี่เราจะมานอนใจอยู่เลยการแนะนำสั่งสอนทางด้านจตนิตภาวนาเป็นของสำคัญมากถ้าไม่รู้ไม่เห็นได้ผ่านมาแล้วสอนไม่ถูกเรียนมา9้าประโยค์ก็มาเถอะมีตรความจำไม่เฉยความจริงไม่ปรากฏแล้วเอาอะไรไปสอนใครรู้รู้คําเท่านั้นนหะแต่ถ้าลงนปรากฏเป็นความจริงขึ้นพาะจัก ภายในใจของตัวเองด้วยภาคปฏิบัติแล้วไม่สงสัยมันจะรู้ชัดเจนทีเดียวการเทศการแนะนำต่างสอนมีการแก้ไขปัญหาทุกแน่ทุกมุมจะไม่ผิดไม่พลาดไม่ทําผู้มาศึกษาให้ผิดฝังจะได้เป็นขวัญใจตลอดไปนี่ครูบาอาจารย์ต่างหลายเหล่านั้นท่านเป็นอย่างนั้นเวลานี้ก็หมดไปหมดไปแล้วจะรู้คําำไปที่ไหนที่นี่หมดไปหมดไปแล้ว อำนาจของกิเลสมันยิ่งรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันนะอืไม่ว่าทั่วทั่วไปไม่ว่าในหัวใจของเราเองเพราะสิ่งที่จะส่งเสริมให้มันเกิดนั่นไม่ใช่มันมีเท่าไหร่กำลังมากขึ้นนั่นมันมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าการประกาศศีลประกาศธรรมคือความดีงามทั้งหลายเพื่ออวดกิเลนตั้งมันไม่มีนะเดี๋ยวนี้เราอยากจะพูดว่ามันไม่มีนีก็อย่างว่านั่นแหละ พอให้กิเลสหัวเราะนั่นว่าถือพุทก็ถือพอยให้กิเลสหัวเราะจะว่าไงเป็นพระเป็นสงฆ์ก็พอให้กิเลสหัวเราะนั่นไม่พอให้กิเลสร้องหไห้เลยเลยเอาที่ฟาดรงไปสิพระพุทธเจ้าท่งนสอนอยังไงศีลปริภาวิตศีลปริภาวิตโตสมาธิมหาพลาโฮรับมหาปลาโฮถิมห า, านิสังสังโซศีลอบรมแล้วสมาธิย่อมเกิดได้นีได้ สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโฮติมหังสังชาอืเมื่อสมามีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาย่อมเป็นไปได้เกิดได้เนี่ยปัญญาปริภาวิตงังจิตตังซัมมาเดวะอาเสวหมุจติจิตที่ปัญญาซักพอกให้เรียบร้อยแล้วย่อมหลุดพ้นจากที่เหลวโดยชอบนั่นว่าไง น, นี่อยู่อยู่ที่ตรงไหนนี่ท่านว่าไว้นี่อยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่หัวใจเรานี่นะให้ที่เหลวได้มอบได้ลาบแต่กระจักกระจาดจากหัวใจบางทีย้ายมันได้หัวเละ ปฏิบัติเดินยังกรมก็ให้จิเด็ดหัวเราะนั่งสมาธิภาวนาก็หลับคลอกคลอให้จิเด็ดหัวเราะเดินยังกรมก็เถอนไปโน้ตหัวใจสติสัตังไม่หมีให้กิเด็ดหัวเราะนั่งภาวนาให้จิตเด็หัวเราะอียาบททั้งสีว่าตนทำความเพียรมีแต่เรื่องประโยชน์ให้จิเด็ดหัวเราะหัวเราะมันเป็นประโยชน์อะไรมันมิเสียทรัดย์สินอะไรถ้าเป็นคนไม่อายอย่างมุดลงดินแล้วเหนืหอถ้าว่าธรรมดาทั่วไปทําอะไรงานอะไรมี่แต่งานให้ประโยชน์ให้จิเล็ดมันหัวเราะหัวเราะ มันมามันน่าอภายขายหน้ามากไปแล้วเห น, นือพิจารณาสหน้าปฏิบัติหรอเอาอให้กิเลสมันร้องห่มร้องไห้ผมก็สงบถี่ท่านพินาศิีหายไปจากหัวใจแล้นี่ยังไงที่นี่ทาเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วทำเกิดได้ไหมแต่แต่กิเลสพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วกิเลสทำไมมันเกิดได้เกิดในหัวใจคนทีนี้เราภาคปฏิบัติของเราฟัดกันลงไปกับกิเลสพระพุทธเจ้านิพพานแล้วกิเลสโอทำไมเกิดขึ้นได้ไหมกิเลสตายไปได้ไหมถ้ามันเห็นไปจากในใจของเราที่หน้าปฏิบัติ ก็ทำนี่สดจดร้อนร้อนแท้ๆอยู่ในหัวใจก้างกลางบ้านอยู่ในนี้เนียมีแต่กิเดสมันปิดมันหุ้มห่อไว้แต่นั้นเบิกออกพี่เนี่ยนะความสุขความสบายจากการอยู่การกินการหลับการนอนมันจะโลกทั้งหลายมันมีมาด้วยกันนั้นนี่ยมันแค่นั้นแหละอืก็เหมือนนักโทษในเรือนจำเนี่ยกินกินอิ่มมันเป็นนักโทษอยู่งั่นจะว่างไงเหมือนสัตว์พานะเนี่ยเลี้ยงมันให้มันกินแต่ถึงเวลาเขาไปฆ่าไปฆ่ามันจะได้ยุติอะไรมันดีอะไร เพราที่จะนอนใจอันนี้หมุนเวียนไปในวัฏจักรวัฏจิตนี่มันกี่ภพ ก, กี่ชาติหาประมาณไม่ได้ก็เพราะความประมาทของเรานั่นเองให้ทำเขาแทรกเข้าไปทำลายคั่วหัวใจของกิเลสบ้างสิมันพังลาวมาจากใจนะ่ะบุคคงนัตติอาชาตักดะนะั่นทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดจิตแล้วไม่ไปเที่ยวเกิดที่นนท์จะหาทุกเกิดที่นนท์ที่ไหนจะหาทุกมาจากไหนเป็นอิสระเต็มตัวแล้วไม่ต้องเกิดเรือมีแต่ความบริสุทธิ์ล้ว น, นในหลักธรรมชาติทั้งตน้น เหมือนว่าไกลแสนไก่จนเอื้อมไม่ถึงคำว่ามรรคผ ล, ผลผนิพพานเลยทวีบไหนประททศบไหนไหนมันคิดให้จิเลตมันหลอกมันกล่อมไป ท, ทั้งที่จิเลตมันฝังจมอยู่ในหัวใจเรา ไกลหรือกล้ที่ไหนรู้กันอยู่ทุกเวลาเนาะมันควรที่ทําจะฟาดลงไปตรงนั้นแท้ๆถ้ามันมีหัวมันหัวแตกไปเห็นประจับใจมันเปลีนไปมันไกลไหมกิเลสอื่มันหุ้มห่ออยู่กิจิของกายชั้นกิตของเราฟาดตรงที่ที่หัวใจเราทําไมจะไม่ฟาดหัวใจกิเลสล่ะมือหัวใจกิเลสมันแตกไปแล้วมันจะอะไรมาเกิดอีกมันไม่มีอะไรเกิดออแต่เราไม่มีอะไรสูญนั่น ปรมังสุขขังได้ได้แก่อะไรได้แก่กิจที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วนีวแ่แหละคำว่าปรามังสุขังปรามังสุขขังขกิตไม่บริสุทธิ์ล้วนๆปรามังสุขขังไม่ได้ปรามังสุขเพราะปรามังสุขขังนี้เป็นหลักธรรมชาติไม่ใช่สุ่งประเวณ น, นาเป็นธรรมชาติของที่อยู่กับความบริสุทธิ์ของกิจเองเพื่อที่จะไปรู้สึกไงแบบโล ก, กนะ มองเงนอากับกิริยาอะไรแสดงออกมันมีแต่เรื่องคือเรื่องขนองเรื่องอันนัรื่องทำไม่ค่อยมีเนี่อ่ะที่มันสะดุดสังเร็จผู้สอนสอนแทบเป็นแทบตายอผู้แสดงออกมันแสดงออกให้กิเลหัวเลาะตลอดเวลามันหันหลังให้ทําให้การอบรมนี่ทีมันไม่จะไม่สะดุดสังเวชยังไงดูมูดูเพื่อนไม่ได้ดูเพื่อยกโทษยกกรณหมูเพื่อนอไรเพราะเราเป็นผู้สอนเพื่อให้ดีเองล้วไปยกโทษหมูเพื่อนหัประโยชน์อะไรเราสอนเพื่อให้ดีแต่กิริยาการที่แสดงมานั้นมันไม่ได้ เข้าในวงการสอนมันเป็นวงของกิเลสสอนทท้งนั้นนี่ที่มันน่าเกิดสังเวชตรงนี้เนี่อืมเอาเแกงนี้เหนื่อยแล้ว